สิอังคสูตรว่าด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาหนึ่งภิกษุทั้งหลายองค์เครื่องบรรลุโสดาสี่ประการนี้เป็นเครื่องบรรลุโสดาสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัปปริสังเสวะการคบหาสัตตบรุษ2สัทธธรรมมัตสวะนะการฟังพระสัทธรรม 3. โยนิสโสมนสิการการมนสิการโดยแยบคาย 4. ธรรมานุธรรมะปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมภิกษุทั้งหลายองค์เครื่องบรรลุโสดาสประการนี้อังคสูตรที่10บจบสกขาทกะปุญญาพิสันทวักที่หจบ